วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะดิฉันสันสนินาพงศ์นะคะนำท่านทั้งหลายเข้าสู่เวลาของรายการสรนสินีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m สเอมนะคะมีพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนท่านประสงค์จากวัดป่าดอนไหศซอุดรธานีวัดที่มีการจัดหลักสูตรการปฏิบัติธรรมเป็นประจําในทุกเดือนบางเดือนก็เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วยนะคะใครที่ มีญาติพี่น้องหรือตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยดีนะักอยากจะไปศึกษาเป็นภาษาอังกฤษชาวต่างชาติอะไรก็สามารถที่จะประสานกันไปได้นะคะที่วัดปาดอนไฮโซอุดรธานีมีเว็บไซต์ค่ะตอนนี้เราก็ไปกราบนักศการท่านกันก่อนนะคะนักมศการท่านคะเชิญพานค่ะสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งอยากที่จะไปปฏิบัติธรรมไปสแสวงหา ทางที่จะทําให้พ้นจากความทุกข์นะคะเขาจะไปไหนดีคะท่านคะแล้วไปอย่างไรเอ่อต้องเอ่อให้ให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าการไปหาแสวงหาความปฏิบัติธรรมคือความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยต้องทําเลยต้องทำนะพระเจ้าได้แบ่งความสุขไว้เป็น2 ส, ส่วนคือความสุขที่ที่วกลัวกับความสุขที่ควรเสพ นะความสุขที่คุณกลัวเช่นเราไปเทกไปผับหากินเที่ยวเล่นดื่มความสุขจากตาหูจมกูกลิน้นกายนะกามบุคลทั้งห้ า, เ, าเราอย่าไปหลงเพลิดเลินในสิ่งนั้นมากเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ดีเป็นความสุข<ะ>ที่แฝงไว้ด้วยความทุกข์อย่างมากอ่ะเรายกสิ่งนั้นไว้นะมาถึงจุดที่ประเด็นที่คุณโยมติ๋วพูดว่าอา้าวงั้นเราต้องไปห า, าความสุขที่เกิดจากไหนภายในคือสว่วนขอการปฏิบัตินั่นเองกนะารปฏิบัติในที่นี้จะ เป็นการปฏิบัติที่ที่เราพูดถึงคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะเช่นไปเข้าวัดนั่งสมาธิอะไรต่างๆฉะั้นถามว่าเอ๊ะเราก็จะไปเริ่มยังไงดีนะก็ต้องเริ่มจากจุดที่ที่พระพุทธเาไล่เป็นลําดับขั้นให้ไว้ก่อนนะคือคกายสุขะคนหนึ่งอา่าไปสู่ไซนาอัสนะอัสงาตนะมีป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าช้าที่แจ้งหรือลอ้อมฟังกระตับนะเป็นสถานที่ลักษณะนี้นะที่มันสงัด นะหรือเรือนว่างก็ได้หรือหมายถึงบ้านเราก็ได้ห้องที่มันว่างๆเนี่ยหมายถึงห้องที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะเป็นห้องอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรก็ธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากเราก็ไปอยู่ในห้องลักษณะว่างๆอย่างนั้นแล้วยังไงต่อนั่นคือลักษณะที่เราจะเริ่มในการที่จะหลีกเร่นอยู่ผู้เดียวลนะไม่ได้พูดต้องพูดถึงว่าช่วงเวลาว่าต้องมากี่วันกี่วันอะไรเอาแค่วินาทีนั้นก่อนนะวินาทีนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่หลีกเลนอยู่ผู้เดียว ใช่ไหมเราอยู่ในห้องลักษณะนั้นถ้ามันมีเฟอร์นิเจอร์คุณจะนั่งบนเก้าอี้นั่งบนต่างบนเตียงก็ได้ไม่มีปัญหาถ้ามันไม่มีเฟอร์นิเจอร์กูก็ตั้งนั่งที่พื้นถูกไหมลักษณะการนั่งที่พื้นก็จะต้องทอํายังไงให้ตัวเรามันตั้งตรงได้ก็เลยพูดถึงเรื่องของการนั่งคูขาเข้ามาและนี่คือเริ่มจากเบสิคสุดๆเลยนะคุณโยมติวนะว่าเราต้องนั่งคูขาถ้าที่ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์แต่เพื่อให้กายของเรามันตั้งตรงขึ้นมานตตั้งตรงขึ้นมาแล้วยังไง พระเจ้าก็บอกว่าให้ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้านนดารงสติเอาไว้เฉพาะหน้า น, นี่เรากำลังพูดถึงเทคนิคที่ทั่วๆไปเลยไม่จะเป็นว่าจะต้องเฉพาะอนาปันนสติใดๆทังสิ้นในที่เฉพาะหน้าเนี่ยสัพษาบาลีที่พูดถึงในนี้คือปริมุขขังมุขเนี่ยคือการคือด้านหน้าของเราอาจจะเป็น ถ้าเราพูดถึงลมหายใจอ่ก็คือบริเวณที่ทางด้านเข้าออกของลมหายใจนะจะอยู่ในโพรงจมูกอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะใช้บริเวณด้านหน้าของเราเพื่อที่จะให้เราตั้งสติอยู่ก็ได้แนะเราก็ดํารงสติเอาไว้ตรงนั้นนะดํารงสติหมายความว่าไงสติหมายความว่าไงนะสติคือความความระลึกได้นะความระลึกเช่นเช่นว่าเราระลึกถึงหน้าแม่เราเราระลึกถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้ว เราระลึกถึงเรื่องที่เป็นอนาคตอันนี้คือการนึกการคิดถึงพวกนี้เป็นการระลึกทั้งหมดคือเป็นสติทั้งหมดเลยค่นะทีนี้สติแบบไหนนะที่เราจะต้องมาทําถ้าเราไปนึกถึงเรื่องไม่ดีเรื่องชั่วช้ามันก็ไม่ดีละ่ะจึงต้องพูดถึงเรื่องของสัมมาสตินะสัมมาสติคือการระลึกถึงที่ดีที่ถูกต้องค่นะสัมมาสตินี่คืออะไรเอาเอากายของเราก็ได้แตนะ่บางคนอาจจะมาระลึกถึงลมหายใจอ่าเอ า, เอาลมหายใจ เราลึกถึงลมหายใจลมหายใจเป็นธาตุลมแต่ธาตุลมก็เป็นส่วนหนึ่งของกายองั้นเรามาระลึกถึงลมหายใจแลยังไงเรียกว่าเราลึกถึงลมหายใจเพราะว่าลมหายใจมันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันก็จะมาสอดคล้องกับสติหรือว่างั้นดํารงไว้ที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งเฉพาะหน้า <Okay. S 1> ตรงนี้เราปฏิบัติง่ายๆอย่างนี้คือให้มีสติอยู่ซึ่งไม่ว่าเราจะเดินไปไหนเราจะทําอะไรเนี่ยเราเรามีสติอยู่ได้ตลอดนะ เราจะนั่งเฉยๆเราจะทํายังไงก็ได้แต่ตอ น, นี้ขั้นตอนต่อไปเพราเรามีสติอย่างนี้อยู่แล้วเราฝึกให้มันได้อยู่เรื่อยๆในทุกอุปัยติบททาได้อย่างต่อเนื่องสั้นบ้างยาวบ้างแล้วมันจะช่วยให้จิตของเราเนี่ยมีกําลังมากขึ้นนะกําลังมากขึ้นตรงนี้เราก็จะเห็นตามที่เป็นจริงมีความสุขที่เกิดจากความสงบได้เป็นลักษณะนี้ไปค่นะก็เรียกว่าไม่ต้องไปที่ไหนเลี้ยงเคยได้ยินว่า ความสุขในทางทางใจเนี่ยหรือว่าทางจิตที่พระศาสดาสอนไม่ไม่ใช่ความสุขที่ได้ด้วยการไปอืมถูกต้องคํากล่าวนีถูกไมคะแลวถ้าถูกนี่ถูกอย่างไรกันนะเออพุทธาเคยเล่าถึงเรื่องของนกมูลไถยตัวหนึ่งค่ะคุณยมติคดินเรื่องนี้มันนกมูลไท่เคยได้แต่จำไม่ไดท้ที่ตอนนั้นนกมูลไถยเนี่ยก็จะเป็นนกที่หากินอยู่ตามคันนาน เขาจะหากินจากดินที่ชาวนาน เ, นเขาขุดไถขึ้นมาแล้วก็จะกินตัวอะไรที่มันอยู่ในดินพวกนั้นนะนะปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งที่เจ้านกมูลไถตัวนี้มันบินขึ้นไปสูงเกินไปนะเกินยอดไม้ที่ที่มันหากินมันก็เลยถูกเหยี่ยวนะบินโฉบลงมาแล้วก็จับจับตัวมันไปแตนะ่นี้เจ้านกมูลไถนี่พอถูกจับตัวแล้วก็เลยอ้อนวอนต่ อ, อพ่อเหยียวนะบอกว่าโอยพ่อเหยียวชั้นบุญ น, น้อยวาสนาน้อยนะถูกท่านจับได้อะไรต่างๆนานานะ นะขอความเห็นใจว่างั้นแแล้วก็มีพูดออกมาคำหนึ่งบอกว่าแต่ถ้าท่านไปที่ที่ฉันอยู่นะท่านไม่มีทางจับฉันได้หรอกว่าอย่างนี้คทีนี้เจ้าเหี่ยวก็เลยหยิ่งไปยองแบบนี้นมันว่ายางไงตัวมันเล็กนิดเดียวแค่นี้แล้วก็เลยท้าเลยบอกไปเลยไปเธอไปที่ที่อยู่ของเธอฉันจะจับเธอให้ได้เจา้าโนมูนไทก็เลยรีบปรีลงไปนะปล่อยถูกปล่อยแล้วนี่นะก็เลยนี่ บ, บินปรีลงไปตรงจุดที่ ตัวเองหาข้าินนั่นคือบริเวณที่คันนาที่เขาไถาดินไปเพิ่งเสร็จใหม่ๆแลก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นนกเหยี่ยวพอ่านกมูลไถไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วนกเหยี่ยวก็เลยนกมูลไถก็เลยท้าเจ้าเหยี่ยวให้มามาเลยตรงนี้ฉันรอเธออยู่มาจับเลย <Okay. S 1> นกเหยี่ยวก็บินปรีเข้าไปเหมือนกันนะด้วยความเร็วเต็มที่ตัวมันหนักด้วยมวลมันก็มากโนะมเมนตัมมันก็สูงแล้วมันก็บินเข้าไปปรากฏว่าพอเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ ใกล้นกมูลไถ่นี่ยิ่งเข้ายิ่งเข้านกมูลไถ่ก็รอจังหวะ ด, ดีๆแล้วก็หลบเข้าไปในหลืบของดินที่ชาวนาเขาพลิกดินเอาไว้ไถเอาไว้ <Okay. S 1> นี่นยนกนกเหยืยวก็เลยเอาอกกระแทกดินนะได้รับความทุกข์มากเจ็บมากหรือไม่ก็เกือบตายเลยว่างั้น <Yeah. S 1> พระเจ้ายกตัวอย่างตัวนี้ปเปรียบเทียบว่าเพราะว่าเจ้านกมูลไถเนี่ยมันออกจากที่เที่ยวที่หากินของของบิดาตัวเองทําให้ไปโดนจับ แต่ถ้าอยู่ในที่เที่ยวที่หากินของบิดาตัวเองเนี่ยจะไม่โดนจับนะที่ไหนคือที่เที่ยวที่หากินของบิดาของตัวเองนะพุทธเจ้าก็ได้พูดถึง4ีที่ด้วยกันนะคือที่ที่มีกายมีเวทนามีจิตและมีธรรมสีที่นี้เป็นที่เที่ยวที่หากินของบิดาของเรานะคือว่าพุทธเจ้านะถ้าออกจากนี้ไปคุณจะถูกเหี่ยวจับได้บางทีคุณไม่แน่ใจนะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนเจ้านกมูลไถ่น้อยตัวนี้ เพราะมันยังถูกปล่อยมาแต่ถ้าเราไม่ถูกปล่อยนี่เราถูกมารกลุ่มหัวใจนี่เสร็จมันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนขึ้นเหนือล่องต้าอยู่บ้านไปวัดไปโรงเรียนถ้าเรามีกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เนี่ยชื่อว่าเราไม่ออกจากที่เที่ยวของบิดาของเราจะได้รับ<อ>ความปลอดภัยตรงนี้นะคะ อ, อันนี้ก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยเราก็จะต้องไม่ออกจากที่อยู่ของบิดา ของตัวเองใ ช, ใช่ไหคะบิดาเนี่ยจะมีอยู่2 อ, อลักษณะนะคือพ่อที่อยู่ในวัตฏะในสมมติชาตินี้เรามีพ่อให้บังเกิดกล้าของเรานี่คือพ่อที่อยู่ในวัตฏะชาติที่แล้วก็มีพ่อชาติต่อไปถ้าคุณยังต้องไปเกิดดี ก, ก็จะมีพ่ออีกนะ ก, ก็เรียกว่าเป็นบิดาที่อยู่ในวัตฏะสงสารนะ ก, ก็จะนับพ่อกันจนโอ้โหยเอาดินมาปั้นเป็นก้อนไม่พอละระวังนั้นนะแต่บิดาที่วิวัตฏะ นวิปัสตะก็คือออกจากวัตฏะไม่ให้มันมาต้องมามีไว้แต่เกิดอีกต่อไปแล้วก็จะมีอยู่คนเดียวคือสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็จะมีบิดาคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะนะคะวันนี้จะว่าไปเป็นเรื่องที่เป็นการปฏิบัติลว้ลวนเลยนะคะแต่เป็นการปฏิบัติที่ฟังแล้วไม่ยากเลยอืมได้แล้วก็วกไม่ยุ่งด้วยใช่ใช่ทำได้ง่ายๆคือบางทีเราลืม ลืมในที่เนี้ยก็หมายถึงเผลอเพลินคุณเลอเพลินไปในสิ่งที่มันมาทางตาทางหูทำให้ <c oughs> เราลืมที่จะมาดูแลจิตใจของเราซึ่งเราทำได้ง่ายๆด้วยค่ะ <c oughs> อันนี้ใครที่กำลังมีความรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจว้าวุ่นมีความกลัวมีความระแวงก็สามารถที่จะกลับมาอยู่ในที่อยู่ของบิดาตน นะคะลองทำกันดูรายการสรัสนสนทนานะะที่ท่านกำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็พระเพยบุญอภิกุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีท่านก็เมตตา ม, มาให้ความรู้กับพวกเราอยู่เป็นประจำมีมีประเด็นหนึ่งคุณโยมติวที่คิดว่าอาจจะต้องเตือนเอาไว้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมว่าคือบางทีปฏิบัติเนี่ยมันดีแน่ล่ะแต่นี้ถ้าเผอว่าปฏิบัต เราก็ต้องระวังคือมันก็มีข้อระวังอยู่นะข้อที่ควรจะต้องระวังในที่เนี้ที่พุทเจ้าพูดถึงก็คือมันมันต้องระวังตั้งแต่ก่อนเข้านะก่อนที่คุณจะไปได้สมาธิเนี่ยคุณก็ต้องระวังเจ้าพวกนิวรณ์นะนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นที่จะทําให้จิตของเราไม่ได้สมาธิแตนะ่คือเราตั้งใจจะไปทําความดีอ่ะแม้แต่มันมีอุปสรรคไว้นะมีอุปสรรคเช่นง่วงบ้างโอ้ยฟุ้งซ้านบ้างนะบางทีคิดบ้าบอ บ, บ้าง บางที่มีอุปสรรคต่างๆการเดินทางบ้างอะไรบางพวกนี้จะเป็นอุปสรรคที่เหมือนกับมันเป็นเครื่องทดสอบว่าคุณตั้งใจจริงหรือเปล่าที่คุณจะไปทำเนี่ยคุณจะไปปฏิบัติเนี่ยอันนี้เราต้องระวังนะคือถ้าเราระวังแล้วเราจะแก้ไขมันได้ก็การแก้ไขก็ไม่ยากยอย่างที่พูดก็คือให้มีสตินั่นเองแต่ต้องระวังตรงนี้นะอย่าเพึ่งท้อแท้ท้อถอยไปก่อนนะค่ะนะคะข้อระวังข้อที่ส นะ ท, ที่ที่กําลังพูดถึงว่าเมื่อเราได้แล้วได้สมาธิแล้วเราปฏิบัติได้ดีแล้วเราก็ต้องระวังนะข้อที่สองตรงที่ว่าเราอย่าไปเผลอเพลินไปในความสุขที่เกิดจากตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าเราเผลอเพลินไปในความสุขที่เกิดจากตรงนั้นแล้วถ้าวันหลังมันไม่ได้คุณจะเจ็บนะคุณจะชี๊ดนะก็ต้องระวังข้อที่สองตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะมีสองข้อเองเหรอคะคือสองโซนสองส่ว น, วนก่อนที่จะได้ก็แยกเป็นส่วนที่เรียาเรียกว่า น, นิวร์ใช่ไหมมีห้าข้อ ทีนี้พอเราได้แล้วนะหลังจากที่เราปฏิบัติได้แล้วดีแล้วนะเราก็ต้องทรงสติของเราเอาไว้นี่คือข้อที่สองส่วที่สองอ๋อคือการที่ไม่เผลอเผลอเนี่ยจะเป็นการทรงสติได้อย่างถูกต้องใช่ค่ะอะดิฉันเคยคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งท่านก็สูงอายุมากแล้วนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยก็แต่เกิดมาเนี่ยปฏิบัติแล้วเคยมีความรู้สึกว่าได้สมาธิอยู่ครั้งเดียวอื ม, อ ม, อมแล้วจากนั้นไม่กลับมาอีกเลย อืมอันนี้แสดงถึงว่าเขาไม่ได้ทำให้ชำนาญ น, ออนะอันนี้ก็คือพอเราทำไปฝึกปฏิบัติไปเนี่ยความชำนาญมันก็จะค่อยเกิดขึ้นมากขึ้นค่ะมันเท่ากับวงสวิงหลุดใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาหมดเลยค่ะท่านอารย่ น, นถ้าจะม า, เ, าเรียกวงสวิงคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะคะได้ๆนี่ก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเพืบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันก็ต้องกราบขออภัยพระอาจารย์เหมือนกันนะคะมาพูดถึงวงสวิงเนี่ยไม่เกี่ยวกับภาษาพูทวัจนะเลยสักนิดเดียวพเพียงแต่ว่าเปรียบเทียบกับทางโลกให้พอเข้าใจว่าการทำสมาธิถ้าหากว่าอย่างที่ท่านไปบูนพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปฉเฉลย ก, กันต่อแล้วกันนะคะว่าเป็นอะไรถึงทำให้ไม่สามารถได้สมาธิเช่นนั้นอีกในกรณีท่านผู้สูงอายุตัวอย่างที่ดิฉันได้เล่าให้ท่านไปบูนฟังเมื่อสักครู่นี้ ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสัสนิสนทนานะคะดิฉันสัสนินัาคงดําเนินรายการค่ะบนโลกใบนี้นะคะเราอาจจะวุ่นวายกับชีวิตประจําวันอะไรก็แล้วแต่การทํางานครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่าลืมหันกลับมาดูภายในของเรานะคะซึ่งเป็นโลกที่แท้จริงของเราเป็นโลกจริงหรือเปล่าคุณสัสนีพูดถูกไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังกันต่อนะคะพุทธสวัสดีค่ะ